จะในตัวของเราคนเรียนเทนีน้จะชักจะเบื่อคือพิจารณาอะไรก็ของเก่าอะไรกับของเก่าจะเบื่อความจริงธรรมะของนี่ของเก่าของเก่าทั้งนั้นธรรมะที่พระองค์จะเทศนาด้วยวั่นจะเป็น ทําของเก่าม้นเวีย น, นนี่ยนี่แหละแต่หากว่าใจมันทราบถึงเขาถึงธรรมะมันไม่ใช่อของเก่ารสชาด้านนั้นเป็นของทิแดแตกไปมันกะลีนของเรารับรสอาหาร ทั้งจะเกิดทั้งถึงวันตายมันขอรีนอะไรนะรับรทษทหารของเก่าเียมหวามเสียของเก่าแล้วนะไม่นด้นจัดจื่อจักจางจื่ไม่มีรีนนะก็ไม่ทาว่าจะเอาไดไรไปรับสัมผัสสัมผัสที่รีนถูกนะมีความ อัพซึ่งของถึงใจใจก็พอใจทอบใจเลยเกิดเป็นของดีขึ้นมาทำทั้งหลายเทียบกับเจ้าเทศน์านนนนมากับของเก่านี่แหละตั้เทศตั้งแต่ไหนจะ่ไรมากับของเก่าแล้วก็ดเจ้านี้ผ่านไปแล้ว สองพันครือีเมื่อพระองค์ยังอยู่ทรงไว้ทนเจ็บอยู่เทศสรรอยู่ถึงนสี่สิบห้าพรรษาจะมีผ่าแต่เปลาไหนนอกจากกายนอกจากตัวของเราเทศในตัวของเราทั้งนั้นเบื่อน่ายคลายจากความ สำนัดรักรสยินดีกระเบื้อหน่ายที่นี้ปิดปลุกพันร่างกายก็ยินดีปลูกพันร่างกายในที่นี้นม่ไีที่อื่นเหตุนั้นเป็นว่าทาของเก่าที่เป็นเจ้าเทศนาเป็นของดีนะถ้าปลุกฟังจิต ฟังแต่ักแต่ว่าฟังเฉยฟังให้จิตทำความจำทำจิตให้สงบธรรมะอยู่ที่ความสงบถ้าไม่สงบก็เป็นโลกไปถ้าสงบก็เป็นธรรมธรไปสร้างไว้ที่ความสงบ เกิดขบลูขึ้นมาราจเรื่องปาด้วยบายต่งตางๆเรื่องนั่งกินให้ตั้งสติกำหนดจิตให้ดีสตินี่แหละเป็นของสำคัญสติตั้งมั่นดีแล้ว ยอมสติตั้งมั่นที่รดจิตงอมไม่หวั่นไหวสติตั้งมั่นในที่ใดงอมไม่หวั่นไหวในที่นั้นสติไม่มั่นเกียงพออารมณ์อะกระทบเข้ามาก็หวั่นไหว ความนึคิดส่งสายขอสติในจังมวันถ้าสติจังวันแล้วไม่ส่งไปไหนอยู่ในที่อยู่ในที่เดียวธรรมะก็เกิดในที่เดียวมันมีมากมายถ้าหากจับจุดได้แล้ว เห็นจุด น, นั้นนันตั้งมั่นลงไปแล้วธรรมะเกิจากนั้นธรรมะคืออะไรความคิดนึกในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลมาเรียกว่าธรรมะ ต่หากว่าคู่พิจารณาเลือกเซนเอาเส้ออ่จริงที่เป็นกุศลจริงที่เป็นกุศลริ้งเสเลือกการกลองกันในตัวท่าทางไม่คิดไม่นึกไม่คิ ด, ไ ม, ค ด, ไ, มคดไม่กลองยันของเฉย ไม่เกิดอุบายปัญญาเรียกว่าทื่อเรยกวอยู่ทื่อทิดทิดซื่องนานแม้เข้าก็เบื่อนายขี้เกียจเสียทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดความที่เกียจขี้ข้างเลยเข้า้อๆง า, า, าม ความคิดความนึกคงต้านอย่างบางคนที่ไม่มีสติคิดีนขอบสิเพลินไปน่ารำนั้นๆ น, น, นอนก็ไม่หลับไม่ว่าจะนั่งสมาธิมดคืนตลอดลุงนอนไม่หลับเลย นั่นไม่มีสติรงเฟอ้อสงสัยเป็นอารมณ์ต่างๆถ้าสติวควบคุมใจคิดสงสัยในที่ต่างๆก็เห็นอยูใ่ในขอบเขตไม่ได้นอกขอบเขตไป ตั้งมั่นในสิ่งเดียวอย่างเราคิดสังขารร่างกายตัวของเราเนี่ยตายที่ว่ารูปตั้งรูปขึ้นมาพิจนารหมรูป ที่สารโลมานะคะ ต, ตนน่างๆแยกกระจายไปลูกมันไม่ออกจากกลายอาการสารที่สองคิดมันคิดนึก ส, สนใจในแต่ในที่เดียวแค่ในอารมณ์เดียวเคือ่าในกลายมเดียวเมื่อเห็นคัดเห็นแช้ง ไม่ได้เห็นตามสัญญาไปหาเห็นชัดโดยใจของตนเองมันก็ลวงอยู่ในที่เดียวทอดทระลมกถ้าไม่เห็นชัดไม่เห็นแจ้มมันไม่รู้สังเกตได้ ถ้าเห็นชัดเห็แจ้งและใจรวมนั่นเป็นใช่ถ้าไม่เห็นชัดเห็แ้งแ้มันก็ไม่รวมมันก็เพลินสรงไปไม่เท่า น, นั้นมันนั่นไม่ใช่ทางถูกแล้วพิจารณาในกายเนี่ยเห็นชัดโดยตนนัวเองไม่ออกไป็ิดออกจากกาย และสร้อมกันนั่นมุความสังลดังเวทเบื่อตายนี่นัน่งโซาจะทุกขูดเห็นสังขารสนธาตุถือแนวไสลมรสังเวทเกิดขึ้นมาในใจบางทีอาจจะนำตาล่วงไหลขนลุกขนรองด้วย อาการต่างๆนั้นจึงถูกมันได้เรียบร้อยใจอยู่ในที่เดียวนัอารมณ์มันเดียวคือมันอยู่ในกายอารมณ์เดียวถ้ามันคิดน่นบัตรนีบัตรอะไรต่างๆคิดถึงการทำ ง, งานคิดถึงภาระหน้าที่อของตน คิดทางการอาชีพหลายอย่างรับประกานจับไม่อยู่ไม่ตั้งมั่นในนั้นในสิ่งเดียวหน้าไม่ใช่ทางทางเดินทางเมาหลงไา มันใช่ซะใดให้เข้าใจอย่างนี้แหละทางที่ถูกกละทางที่ผิดตรงนี้แหละจับนี้ให้ได้แรวก่อนพิจารณานี้ให้ได้ก็ได้ชื่อรู้จากหนทางทางปฏิบัติกรรมฐานนือ เรียกมัดทิฏฐิพระพุทธเจ้าเทศนาวาเอกายโนอริโยทางยิโคมาโคพ ร, ระพุทธเจ้าเชอ่์เป็นองศาองศามันรวมลงเปน็นหนึ่งือตอมาทิฏฐิต้องชอบถ้าไม่ชอบอย่างเดียวแล้วผิดหมด ถ้าไม่เห็นชอบอย่างเดียวเราคิดมุดอะไรอะคิดมดคิดขอเนึกของสงสัยอะไรอะไร ค, คิดคมดเรียกตามบาลีว่าสมาธิามาธิคือพอเห็นชอบสมาสังคโปรตัมลีปัญญาตัมลีชอบสมาวาามิญญาโม เพียนเพื่อความเพื่ อ, อไอเพื่อเห็นชอบแล้วก็ดำริที่จะหนีจากความชั่วนั้นเพียนเพื่อจะทําคนดีให้หนีจากความชั่วนั้นสมาวาจาสมากรรมตัวสมาธิโวล้วนแล้วแต่กายว่าใจใจเป็นไปเพื่อ โปรชอบเพว่อสมาธิที่นั้นสมาธิสมาสมาธินั่นก็เป็นไปในทางที่ถ้าจิตแล้วคิดอะไรกับจิหมด่งทรงสายไปทางจิตทั้งนั้นดำริในการที่คิดทั้งนั้นหาโทษหา เป็นไปเพื่อโทษทุกข์มรรคแห่งกระสกรรมตัวสมาธิสัเป็นประทานนอเนศเป็นบริวารเนนั้นขอให้จับหลักให้ได้ จ, จะพิจานณาได้อะไรก็ตามเถิดถ้าจับหลักนี่ไว้ได้ ไม่รู้จักม า, ามทางผิดทางถูกถ้าจะปักจะได้แล้วม่รู้จักทางผิด ท, ทางถูกพิจารณาอะไรก็เอาเธอสะมาถามได้ก็ะชากพิจาณาพุดโธระนาผาสตินี่ธรรมารและหังไดยุหนอของนอจะเอารวมแล้ว ฟังสติอันเดียวสติตั้งมันน่นอันเดียวสติไม่ตั้งมั่นมันไม่ถูกสักอันแล้วสติตั้งมั่นแน่วแน่แล้วมันรวมลงไปในที่อธิษนานนั้นได้แล้วก็รวมลงไปได้แล้วสติไม่ตั้งมัน่นรวมไม่ได้ เมื่อรวมไม่ได้สิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายเราบอกว่าเข้ามารวมกันในที่เดียวง่ายง่ายมาทำถูกทําให้ถูกแล้วก็พัดไปพัดมานย่านั้นแล้วอันนี้จะถูกกขมากอันนี้จะผิดเขาบ้าง จ, จับตรงนั้น จ, จับตรงนี้อาหารหันสมาธิ รหังนะป่าสติน่ไปจับสมาหังก็ไปจับทุกห้องท อ, อเอาอเป็นอารมณ์ยุ่งเหมือนอืมเขาหลายอย่างก็นยุงย่งมากเลรวมไม่ร่มไม่รวมไม่ได้ พอจับอันเดียวลงแน่วแน่ลงไปหมดเรื่องข้องพันธ้์พุทธาสานารวมลงที่ใจรวมได้นั่นเป็นสาระสำคัญทำได้ไบ่อยๆทำได้เสมอให้ชนิดนนานนันได้เป็นหนทางบอกเกิดอหุปายสัญญา และที่ป่ากัน